เราเรื่องซังค้าแลว้วกองถุกเราเดื่อพระเนปานมันก็บ่าถือพระเนาเพราะมันไม่ถึงจะถูกอยู่วางนะเราคนพมโลมันก็บว่าม่พมโลเขามันไม่จะถูกในบ้านที่นี่ในสวรรค์ไหนมันจะเกิดสินส่นชื่อดอกเห็ดก็ต้องสร้างไวนะ้ในมนุษย์โลกเส่ากั้นด้สวงสวรรค์ต่างหอกต่างเขาคือการ จากตูมหานาคิกาพอดีตาวติงช้าพอดีน้ามากพอดีดูซิพพอ ด, ดีนี่มมากแลว้ววัดตีพอดีพรละเรนี่มีตวสารตีพอดีก็กสางไว้ใในมนุษย์โลกลมันจะเกิดขึ้นพุ่นเมื่อมันจิตเกิดึ้นพุ่นไว้คือดอกเฮ็ดเป็นของทิพนี่เราต้องสร้างเนคลองทิพไว้ต่ในมนุษย์โลกสกักครั้งถกจรงกลางมัวละหกกระือกันวันมันจิตตั้งลุกไว้ทาไมาเฮ้าขเขาเ่าระสารไว้ใจไม่ในมนุษย์มนุษย์ป ลองสันนโรดว่าข้าสาาั่งไว้จ้ามนุษืมัดแสดงใจถือมัดพราิบาตอาทิตย์หน้ากางเมมุงสาสุรามันกับพรเท่าสาาั่งไว้เจะพี่มันจังจิไปเป็นมวลหกุลวงพเทาจะไปสังเอามว่อมลหกุน ส, รนสรนนน ว, วนสรรค์ก็คือกันหลว้างแสดงมนุษย์พี่วเทาจะสิไปสังเอาขุนพมาโลกก็คือกันเ่อเระเทขึ้นไปจะเริ่มสร้างเอาโรด เอากระเจ้สร้างแล้วจะล่มถมันจะคอยให้พกมารโลกมาถวมากสร้างตุทิยสรานตุติยาส้านเดตุติสร้างก็ดีส้านที่หนึ่งสองสามสี่ก็ดีนอกกระสังไว้แต่มนุษย์โลกถือมันจังคืได้ปัสวสร้างนี่นูดว่มันีอย่งงงงงงงงปัสสวะสร้างคนโลดตายไปแล้วพวกเขาสู้กันในพ่านกันซะกันกระนจากกิเลสทแต่หน้ามนุษย์โลกถื เขสั่งกับไปข้างนี่เที่ยวโลกก็ไปพนี่ที่่าโลกก็มีพวกพนิว่าข้างนี่เพื่อพมรโลกต่คนี่พื่มรโลกมันก็มีนิว่ามันช่วดาบบันคื่กันบางที่ก็ไปยุในสั่นูุซิปนี่จะฟังเทวดาพระพุทธเจ้าองค์นาะทำเลพระชสวดับัานก็มีําเพระสัคท้าคามีก็มีําเจพระนาคามีก็มีําเจพระอรหันต์ก็มี ออกจากถมำของพุทเจ้าหรอมีบอลไปมีบอลทพลิงพสิดีวิเศษพระเพื่ออะไรก็ตามบัตรทอคําสอนของพุทธเจ้าหรอถ้าเอามาเขียนเป็นหนอดคาสอนกระซังเวียนดวงใจดวงถ้ำกระซามมันเลี่ยงกลางพระเจ้ามันหนอดคาสอนแมนตั้งแต่น้โม่ผ่ดม่เนสิแมนตั้งแ่เมห้องผู้ขาแดงหนอดคาสอน พุทธังสงร้าาถามหนี่่มันยอดคำสอนหมดสร้า น, นพ่อหน้ามุ้นนีนวนน่ว่ามันยอดคำสอนหบ่มนสน่หะลมือคือการนั่นแหะไล่มือพูดเป็นั้นไล่มือพูดีเป็นีก็เบิงไล่ลไใจหนะ่หันแะไล่มือก็ไล่ไกกันเดียวกันนะี่ที่ไล่มือพระพุทธเจ้าน่มันเป็นเรื่องหนึ่งพวกข้ามมาเบิงมันพึกระพุตุชนทไมดาจิงเป็นกงจัก น้ำรับเท้าเนี่พระพุทธเจ้าพ่ะไห้ว่าจะเป็นเซยศาสตร์ทั้งนั้นน้ำมนต์น้ำพรนพุทธเจ้าเจ้าเป็นเซยศาสตร์ชึกชู้ผู้ทำน้ำมนน้ําพรให้เขาอย่าวังคุณข้าวค้าวยาเขาเยาวังคนเข้าค่ายาเขาเป็นหนวัดทุกกฎเป็นปาปะสมายการเป็นอเนสนาจงทําให้เข้าเถิด อย่าให้เขาเอาน้าในวัดให้เขาไปตักมาจากน้าบ่อนํารับันี้นย่าให้เขาไปตักเอาน้าในวัดแล้วให้พระไปสวดให้เนี ม, นมันมันบาปผลร้างสัตว์ผู้ที่เาเ้าของบกาบอกอามูนี้ถ้าเชียห้าสิบขานน้ำไหลมาพูดด้ มาละมนเ้อก็ว่าต้นนุ่อนว่าแม่ว่าเซนไหมครับต้นหนุ่มหอนว่าอกผ่ามาปลอมมาขูดอะไว้ท่านเจ้าท่านเจ้ยเป็นลําฆ่า้านเนาะท่เจีาปรเศเด็กเขาไ่าสับเจ้าเราฆ่าเพราะว่าอันมตนันพระพุทธเจ้าว่าด้หามแก้หามบ่หาว่าขวดเท่านั้นบ่ห้ยว่าขวดเท่านี้บ่ไวาคันเท่านั้นคันเท่านี้ที่ซูเป็นบ่ยาพระพุทธเจ้ากระหาม แต่หังว่าเอาเงินมากทไปซื้อยามางหรือปลัวแล้วรักษาหายหายแล้วรักษาโรคหายแล้วจะเอาเท่านั่นเอาเท่านี้ผระพุทเจ้าบําเพ็ว่าถ้ามีเมตาตาเขาจงทำให้เขาถ้าเขาไม่มีเมตตาเก็เลี่ยงไปเขาเสขงให้ท่าได้ไปเรื่องของเขาเขบาบังหาจะได้ไปเรื่องของเขาสนะ่วนบัตเบอร์โบกเบีย้ยล่าตีนล่ามือ เจ้ศิษเป็นเศรษฐีว่าะจะถศิมนี่มั่งนั่งงูนกินนอนท่านจอกด้านคือจังดา่าโกนลิงบัวดงว่าอะรมอหายท้ายี่สั่งผิดอันนี้จะหน้านาทีอย่างชีวิตมันสมควรนะสั่นม้อ้ำพอคือการคำพิสูจน์ักไปทั้งนี้กัยญานหากินมดญานแอบกินน้ำน้มอน้ำพอดญานบัด้มักผลี่พอดญาตเอาอัอนนั้นไปเที่ยวหากิน พระพุทธเจ้าก็เลยส่งโอรรรรรรรรรรรรรรรรรอรรายรารรรรรรรนรตรรรรรรรกับพิรรรรรรรรรรนรรรรรนรรรสรรรรรรรรรรสรรรเบอร์รรวรรรารนรนรรรร้วรรรรรรรรรรรรรรรรงปอรหรารรรดรรยอันนี้อรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร แม่เ่รัฐบาลัจัดเขาเนี่อบายยามุขคึ้กันรัฐบาลกับภาว่าซาส้นเหตุอบายยามุขขึ้กันเราเพงสิะเอาเราไปคุดข้อก็ไปขอสั่งคำบอว่าจะสัน่นเอาพระเตยไปดกเอาไปสมถิมเสจสั่งอีไ้งสังถ้าไปเสพชิ้วหายเมอดยอบายยามุข หรือหนาเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยดูการเล่นเรื่องการพนันครอบครัวชั่วเป็นมิตรเกียรติขั้นทำงานในทวทีตกโลกหวังเจริญในพวกกระซับรงแล่นเหตุเครื่องชิวหวประการนี่เสียอะไราวตุรกีสอนโลกไม่ได้สอนเจ้ประเทศอินเดียเม่ได้สอนเจ้ประเทศไทยว่าให้มืดหนี่งสารว่าพิษเก่เาคาเฮาว้าเฮาาว่ารพิษที่สัตว์ พ, พระไตปิกเอาไปสูมน้ําสมืดสี้นเอาไว้ยังสัน่นั่น มันปฏิวัติเพื่อคนทุกข์นะาต้าสงสารปัญหามันก็มาหลายเลยไงปัญหาความปฏิวัติเพื่อสิ้นดีสิ่งเดียนกับเพื่ออนันตอันนี้ปัญหามากหลายในโลกอันนี้พราก็จยากไปกเป็นเราเขาโยมก็อยากเศด็จพระพระก็อยากเสเอจโยมมันจักไถ่ิเป็นลูกคิดไถ่ต่อปีนกันอยู่นั่นนั่นนั่นจะตายมันจะคิดผาย พอเท่านี่มันบ้าน่ปากแแต่ม่ันเคียงกันทางในหว่ายงไรสันอืว้ผู้นี้มันก่ปากเลยมันวยผู้ใดกเชื่อเลยแต่เ่พวกปากแล้วมันเคียงกันทางในหรว่าอย่งไรสันมันก่ปากก็ทางในคน่ไันอื้ผู้นี้เาดูรหูอว่าอกถือว่าอยู่มัดมือกถืออยู่มัดมือครางนอกหีบ บออยู่ัดมือกบเพิรอยู่มดมือทีว่าอย่างไรสั่นน้องแนว่าขันอวบเป็นำวาอยู่มัดมือก็ไเป็นถำอยู่มัดมือขันอวบว่าว่าเป็นถ้กวาอยู่มัดมือกับเป็นำว่าเป็นถ้มอยู่มัดมือทีว่าไงสั่นพูดว่าปากคือกันนะขันว่าปากมันเป็นถ้ำนะันลก็เป็นอยู่มัดมือขันว่าปากว่าเป็นถ้ำมันกับว่าเป็นอยู่มัดมือคือกันนะแล้วแนค้นปากเือเขาว่าเป็นพลังอันสังควายเหมือนมันเบาอีงสั่นเป็น นี่จะงัวตนตัวแว่าทังเาเป็นทออาหารนั่นนกแสียว็ เ, า, เาอยู่บดมืออะไนี่้วมเนี่สิี้อี้คอีคอยู่นมันก็คืออยู่ ก, กับสติอยู่กับปัญญาครับใจคนอมูลนี่พกกระพุทธเอกไว้มื่อแล้วเนี่ยไหนเน่ยพรเ้าบอก่เบาบาบามีมืมจักเน หนึ่งย่งสองยังสามย่างมมีสอนโลกสอนสองสามทเจ้าสอนมัเนนนมดเท่าน้พิจิสูือพระพุทธเจ้าสอนได้หมดแล้วเป็นแค่เพียงว่ามาแกงเอาเป็นคาไท ย, ยคือดอกมาแกลงเอาเป็นคาลาวมาแกงเอาเป็นคาจีนมาแกงเอาเป็นคาฝรั่งเศสเพราะมกินข้นรรมนขหมายเดียวกันคือกินเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยกิเขา เกียวกระว่ายเกียวพึ่งพระพุทธศาสนากขะเอพุ่นชันติหรือฉันพระบรมราชากว่าสวยพระกรยาหารขวกเหล่าเคี่อวให้กันหมว่าทีแตเพราะว่าแน่ยับพรอว่าตรงนี้ข้อหมายเดียวกันะได้ลดคิดลดใจยยตั้งกัน อุบายในสิบพจน์ว่าเจ้าต้องสารอุบายนั่นเป็นข้ามสอนของพุทธเจ้าอุบายในสิบทองเที่ยวในะวาเจ้าต้องสารนั่นอุบายนั้นเป็นอุบายของพระยามาสอุบายในสิบเพิ่มโรคเพิ่มโกรธเพิ่มหลงอุบายนั่นของพระยามาสอุบายในสิบลดตาแหน่งลงสิบพจนอาวุธได้โรคได้โกรธได้ลงอุบายนั้นเป็นอุบายข้าสอนของพุทธเจ้าที่เป็นข้าบาลีกษะษะ ที่เป็นคำ จ, จินตะกัวีปะเนื้นก็ะตามที่พูดเรื่องจรงใไ้เครื่องก็ะตามที่พูดเป็นคำภาษาเฮสส้าตะชดีอกซางคำจินตะกวัวีได้สำหรับปัจจุบันเท่าไหร่ที่เป็นคำไทยกระซางทเป็นคำเล่ากระางว่าทอข้างพุทธกานเนี่คำจินตะกวี กินทัควิแปลว่าทําเรื่องกินให้เครื่องเพื่อให้ไพเราะในเชิงตราบเลยเขาเหตุฉันดอนะเป็นเรื่องกินตัควิทั้งนั้นเราเกจเส้นสายมันกินตัควิของโ บ, โบราณหลัอิสานทั้งนั้นส่วหน้ามมันกินตัควิทั้งนั่นแหะ รู้ว่านสทางขามันเราเรื่องจิงให้เครื่องเพื่อให้ไพ่เลาะในเชิงกลาำเมื่อนั้นหกเขยเค็ดขยาบไม่อาส้เรียวสร้างเลยขวาหาประตูเอ๊ะอยู่ที่นี้กำลังกั้งนี้บ้าเข้าแอบหลังภรรยารุนเมียเข้าเจ้าอย่างนี้นั่นปถึงจะทำไถ่ พูดจะพูดไปละก็ออกไปจากเอกนิบาศออกไปจากเอกวัชณะนี Spo ่แหละคือพูดร้ายก็ออกไปจากเอกวัชณะพหัววัชณะพหัววัชณะแปลว่าพูดว่าเอกวัชณะแปลว่าพูดเป็นคำเดียวพูดสั้คทัพพนามออกไปจากเอกหน้ามเอกนามเนี่ยคือคือคิด คิดใจแปลว่วาน่ามั่งน่ามั่งแปลว่าคิตใจวิญญาณก็ว่าคิตใจคือกันสีวา่าสี ว, วไปวัดมือนีก็ออกจากคิใดใจอันเดี้ออกจากหนึ่งสิยศน้งมา ก, กระมาหาหน่วยหนึ่งมาฮาลักหน่วยฮะพระตายยนน้องมาฮาเอกตายพรทุกยศน้องมาฮาเอกทุกพระโรกยศน้องมาฮาเอกโลกพระนี้เห็นเอกโรกขัดกับพระโรกก็เห็นขัดขึ้นกัน อันนี้ชาปทุกในปัจจุบันคัดกันทุกในอดีตเนีอนาคตก็เห็นคัดกันกันนะเขเห็นโลกชัดในปัจจุบันโลกอดีตโลกอนาคตจะเห็นชัดกัน่ะเหตุทั้งๆที่พระพุทธเจ้าจึงสอนพวกภาวนาในโลกมาในปัจจุบัน้ะไม่เห็นชัดในปัจจุบันเห็นชัดในปัจจุบันตอนนี้อดีตอนาคตตอนนั้นมันจะเห็นชัดกันในตัวมันก็ะเทควบสงส่ย คำว่าลงอันน <iah> ึงก็ว่ลงพลวเสียก็พุทธเจ้าคำว่าลงดินน้าก็บ่าหลงไฟก็ว่ลงพมก็ว่ลงพลวังนั่นพราะอะไรคำว่าลงนังกระดูกก็บ่าลงเนื้อก็บ่หลงเอ็นก็บ่หลงพลวัคำว่าลงตาหูก็บ่หลงข้นกันแล้างอันนึก็ลงมัพวัว่าลแจ้งอันนึงก็หลแจ้งมัพลวังแม่นแต่ว่าทังาอีกว่าอีกก็แม่นอีกกัน ค้คนรอบผู้คานะรมมดไปแล้วยังจะโกรธเพราะว่าสีตัวขันมดโลกมดกับมดโกรธคือกันเหระมนก็มดหลงคือกันเหรราคาผู้คาราไปแล้วยังจะโทษะพระวละ่ะคนคนมาตัวคี้โ อ, โอเเ้แต่เราเข้ก่นนาิโทษทมันนอก มันโมได้สมปสงมันกระทู้ายที่ําเก่าหันอ่ะขมันได้มันมันได้สมประสงมันก็เป็นราคาที่ทำเก่าหัน่ะมันก็ติดที่มาส่วนโมหะมันเกข้อละอียดอ่ะคุดพาหน้าข้ามี่ศิละได้ฝ่าละหักตะมักคุณโมหะศิระได้ตามคนนัลมาเลยยวังเลยผลีนไอยางถึงทีเนี่ย มันเห็นมันโมเป็นประโยชน์้แต่ทีเพ่ที่จะะได้ขันมันยังเห็นเปลี่ยนประโยชน์เห็นามันแสบมันน้อนอกามันก็ละได้ถือถือกร่โปรงอ่ะถ้ามันสงสัยว่ามันขีหอมอยี่มันก็ต้องไปดมอีกวันเถอะขันมันร้สงสัยว่าขี้หอมมันมจับมือมันเปต่อยมาดมมันก๊งดีฝืนเนี่ยมันกวาพวกเขามันถือผ้าอีโมหรือว่าย่งไส ฝ่ยมนคือก <ım. lles S 2> ันคำมันเห็นข้าก้อนมันเป็นของห้อนแลวมันก็ไม่ยากไปเยียบอีกฐานาติบาต์มันคือกันคำถือว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนี่ดิคำมันเสือลงสันนี่ดิเลยมันก็ไม่เสื่ออะไรจากไปเฮ็ุที่ว่าอย่งไรสันนั่นอาทิตนาธาต์มนคือกันคามันถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมนี่ดิมันเสืออดิทัพท่าโารีปัญญาโนศารีธรรมะานศาลีขามันเห็นคักว่านั้น มันกบ่เชได้จะไปรวงแล้วมัดขึ้กันะนะตาเมษไม่ใช้จานคือกันเขามันเห็นว่ามีแต่โทษ ล, ล้วนวะนะสนมันกบ่เชษได้จะไปขึ้กันนะเมนผัวเขาสีมาให้ขอนอนนํามจะให้เงินจะไปฝากเป็นเดือนมันกบพาอนอนคือกันะนะเมียเขาก็ขึ้กันนะล่ะพูกเขาที่มวงแห็นขึ้กันเขามันเห็นว่ามันเป็นโทษ ล, วล้วนเนะเห็นแบบนั้นมัน เรื่องวมเห็นของซูปรเทปันโน่ น, น่ะว่าได้ปีนขึ้นเลยแ ม, มันอุชุยายะสามีอุจุยายาสามีมเฮ้งเช้ยนละเอียดก็นั่นอีกพระหันเลเฮ้งมีทิพถีมานะหลายทางทิดย์จะตั้งวิมุตทิพถีเลยมนมีกิดเยสะิ้ หลานพระเจกุบาลตาบอดพระจกุบารตาบอดจะพยายามพ่อยางน้อกแต่งเป็นพระหารแล้ว เ, เป็นสุขไว้ปัจกโกเปียนภูส่งปับ ญ, ญาลว้วนสุขไวิพัสกโกนจ่าเล่นสมาธิส่วนหนึ่งมีปัสชนะสามส่วนก็ได้สาเร็จพระทหารเพราะสาเร็จรกับพระหารกับตาแตกพร้อมกัน พ้นสมารถท่านบนนอนมดภาษาตาเพื่อนแตร์ขอมาใส่ยาให้เพื่อนเพิ่นนั่งใส่เัื่อนบนอนใส่ขันใส่ยาท่านนั่งบอนอนนั่งใส่ตายเพ่อนบยอมนอนบนยอนอนตลอดภาษาตาเพื่ดนแตร์ ตาแตกพ่อมันก็เปลี่ยนพระรหันต์นี่นพวกกมยังจึงตาแตกได้สาก้อนเป็นม้อยาแต่ใช่ ย, ยาตาให้เขาโดพูะพุทเจ้าองค์ก้อนผลไปใช่ ย, ยาตาให้เขาแล้วนะแล้กวก็ให้เงินเขาผนเขาเขาบอกให้เงินเขาบอกให้เงินนะแล้หาอุบายเออ เอายากแทกมันยั่งหายไปทางคั่กนเอาเนี้ไปใส่อีกจังหวะก็แล้กันเล่ยไปเหตตาขบอดซะ่ั้งขั้นเนี้ยกำอะไรน้ำมากครเพื่อนเพื่อนพระหารก็เลยเป็นก็กอมดเป็นพระหกันยั่งตาบอดอยู่เอาฮะนี่ถือว่าอาละเอียดและออกใหายฟังอีกขั้นก็ใช่กันยิ่งกันยิ่งกันยี่นวัตถุก้อนน่ะเขายิ่งมุ้งมิ้งเยิ่งเห่าก็มาบ่ได้เท่กันพราะพุทธเจ้าเกิดน้ำเขายิ่งเท่นกันน่ะ หรือว่างเลยมผู้ห่ิงเขาพุทธเจ้าจะเกิดน้ำไผ่สันเกิดดอกบวัาบวาะมองสันว่าไปสับ้ า, านเดี๋ยวไยาไยามบ้านยามยากสำเร็จพระลหันเรียกตาบอดรมซ า, าดผู้หนึงบวชน้่เป็นสามเณรย่ายสามเณรสามเณรทีกเก็้ที่แปดปีนี่ละไป จูงมาเท่าไปจูงมาเท่าไปไปไกลเติบนี่ยินเสียงเย็ะหน่อยจิ๊บเจ็บจิ๊แปดดือจีบก็ม่ลูกเสียงเขาต้องฟองเพ่งพองร่ำฟันพื้น พ, พ, พ, พ, พ, พ, พุ๊เป๊ะป๊เป๊ะยู่ห่างกันกามียู่ไกลกันกามีอ๋อเนี่ยนะฏิภาณดังเสียงผู้หญิงมาบ้านเห็นเดียินเสียงผู้หญิง ก็เลยหลอกอาจารย์อาจารย์ถาผมนั่นึองก็ฟังนะผม่นโซราจะปล่อยนี่ก็มมกนอนละอาจารย์มันค้นผันหน้าเนี่ฮะของสุขไอยพระะโกกั น, น, ออนายาเก่งเนอ่ยแปลก่าเนี่ยอะไรเงี่ยเสียงเสียงหน่อหล่อฟืนเสียงฟืนสาวสาวทั้งนั้นเพากันนี้ว่า ก็มันย่หังกันเด้ยูหุ่นห้เสียงคุณเึหุ่นเสียงคุณเฟัดฟูด้วยสิเสียงคุณเฟัดฟูด้วยีิฮันนี่้ากันอีฟัดโป๊กโปนพอขะเนี่วัเน็ตองนี้ไป้วมิดเสียงเอว้โดนเติบออกมาโตแล้วขึ้นอันมากแ่ละวตไปยัง เขาพิจารณาโดยเหตุผลอย่างนี้ตัวประทับอันไม่ดีไม่รดาก็ญิงฟันฟุ้นอย่นี้บอกว่าสัตวเนก่ยเาบอกเขบอกซื้อแม่นแล้วคหน่อยว่าัคนเม่เอนี่ก้าเขา ก, ก็กวาควรจูงมาเท่าคอยไปอีกว่าสัตน พลหันจิตถือมณะเพียงกว่านั้นป่าพมีดเคยปกครองก่นใอรจะไปห้างอยางใครนี่ใครที่วิ่งเกือไปมากบอหอดกระชากมั่นใอยจะตายน้อนตายใครก็เอาป่าพมิดมาควบกันใช่เขาต้องให้เจ้าเจ้าสิ่นี้ไปแทรกไปกันล้านสั่มไม่ว่าเจียงเซียนกว่านั้นลูกตัว่มิดเชื่อนี้เคลียรรนี้นี่เท่าม้วนมันเป็นความลับ วุ้ยพ you know, ุทธกาลออกมาอกมีจก <c oughs> <c oughs> <sh> <hose nuest> <accord> so, ่าเฮ้าเนี่ยเราบอกธรรมะเป็นข้อมูเรื่องบงเฮ็ดไว้ให้ยั้งว่าสันบุใคร้นหุงจักว่าสันเนี่ยม่วงม่มือแ่เฮาเพิเพื่อนว่าเลือกการมูเพื่อนโดยว่าวาเรือกบมีการโตยว่าโลกความรับบ่มีในโลกนักตรีโลกีและหัวหน้ามัดารับบ่มีในโลกสม่งไปนที่สันการเราเสม่จุงมมันเท่าใคยไปนี่ คอยที่กินเกือไปมากคอยจะตายนี่แต่ยังดีก็เจ้ามาจูงไม่เท่าคอยมันทีมีประโยชน์เนียครับเจ้ามาจูงมเท่ า, าเจ้าเป็นปลาประมิต ร, รอะไรท่านหนีอะไรเนี่นหนีเนี่นพมสีเป็นอายุสุเกตที่แปดหรือชุมา่กอะไรเน่ไปพูดเดียวห่อนหัดพอินผน่นนีพ่พออินเ น, น, น, นล้มมานํามาบอกเสียงเกือจ่อยอครคอย ไม่คอยจ้ บ, บอย่าคนเท่ า, าเฮ้ยทูกขาเพราการเท่าทุ่นถวายติดจูงพราะพวกเป็นเจ้าพราะพวกเป็นเจ้าต่อประสอจบจะไปเยี่ยมยากเลยทูกข์ข่าวนก้รแลเช่างนีน่มันชยงคนธรรมดาเลยนะาวบวา มันจะเป็นเท้าวุฒเท้าด า, น า, น ม, ามันดามากมันมันเแียงแน่นนั่นแน่นนั่นไรค่านี้เลยต้องไปใช้บุหรี่จูงไปจูงไปกับว่าให้กับทศกัณฐ์ น, นี้ค่อยจูงไปใกล้ที่เขาว้านนะเขาบานข้าวผ้าผู้เจ้าพาผู้เป็นเจ้านาั่งค่อยอยู่หนึ่งตะบุดึง ที น, น, นี่นพางอยมากนี่เราเคากระดื่ดึพระพุทธเจ้าขาไปหาานะกระชั้ขนอยเ่าพระพาพระพุทธเจ้าไปสะกนอนัขอน้อยนี่ยเคือพระอิ่มกะชันเห็นพระพุทธเจ้าไม่ซัดไม่จินในธรรมะกระชัน้นมันเดือดฮอทขน้อยขน้อยก็เรื่องนี้เราหมิตรงมากเป็นตบปาเขาเรามากม่อสูงพระพุทธเจ้ามาก โอนเน้นพระภูมิเป็นเจ้ามันก็ไ ป, ไปไปทั้งอื่นเนี่ยว่า่เขาเอาเช้อาพระพูมิเป็นเจ้าเลยเนอว่า่ก็เลยหายไปยวันท่านโดนโทษเขามา พ, อพ่อคนนเงนเขาก็มาจูบไปไปหา ย, าะ ย, ายา น, าา น, นะไปยางหายนะพระอรหันต์จกานั่งพระนามเขาไม่เ้อาเลยหายช่างซีดีชางภาพบอว่าเขาติเจ้าว่าหาหากินทั้งหายชางซี่ดีช่างภาพเนี่ ตาประมิตรเจาเจวนาจานาหนังดาวคบคนผ่านชาติชาติเป็นมิตรคนนกคบบันทิดกุฏิ จ, ะจะอบนกโตกันนี้ในเคียร์่ราคอใ้เข้ามาวัดผลนี่ไม่้าใจพิโรธผลถืออะไรเงี้นี้ ย, นยังน อ, อนนั่งละทิ้ทิ้มานะทิดทิ้มานะไปได้สร้างทิ่ชอบเลย าบางข้าวบาพุทธเจ้าอยู่ขอตีข่องตีกองขึ้นมาแห่พรุทธเจ้าอาโนนเขามากผมก็เสียงอึดอัทึกโค้งมากผมถออือว่าเ้าสถาปน์แรบแต่วอกข้าเจ้าข้าเจ้านี้ตาสังแต่ท้าปบสอบหลับสอบหยุดเร่งจังกดอกจัง อนุ่นเป็นผู้สลัดได้เอาเป็นพระโสดาบันลไปแล้วอันไปหาพระองค์่ห้องไปเหนียบเรืยบมันขึกของอมุเหนียบมัน้นมาเหยเลยมันจะเได้ขึ้นอนุก็เลยอกแกวตกกวแกวมาถ้าเงียบสักแล้วพระองค์นะครับเออพระเจก็บอกมาซะก่าไมบอกมาหาพระองค์พระองค์เขาได้เกลียดหรอมีปัญหาสอดเขามากว่า พระองค์เจ้าลูกเสียงจินรถผลสภาธรรมารุม่มพระองค์เจ้าละบ่ใดบ่เฉลิ้ยก็คือคือข่มเสนบ่ขาดป้วนเป็นเรื่องของเขาไปยังมีปัญหาสอดขอมาว่าได้เนี่ยโยพระองค์สีทอดสะพานบ่นนให้ลูกหลานทั้งหลายกุ๊กคี้เก็ถือคือข่มส่วนพระองค์เจ้าละใดมะเม่่อใดล่ะสีทอดสะพานไว้ให้ลูกหลาน อันนี้หลวงพอองค์สันโอ้ท้าง เ, เท้าพระองค์เจา้าดาดาพระวักกะลิกด็ดีดาให้หมันเปลียงถ้ามันที่ว่าพระวักกะลิเฮ็ดเนี่ยมันบ่มะผสมมันมาเป็นประโยชน์ลองเอาเป็นประโยชน์แกผู้ฟังคุณนระวักกะลิสิ บ, บ่ลงเพ้นกระร้างพ้นพันพ้นลงแล้วลว ง, พ, อองพระองค์เก่าพรวักกะลิ พ่นดาเอากงจว่าพ่นโลกพ่นพนโลกพนกัพ่นหลงเอาพ่นดาให้นงโยเขาคุดพ่นน่อยแต่มันแกนเขาุดงแงเขาเคียพดอว่คุดแหงีเดียวมันมะเขาท่วัดยังไมันแกนเากินบมีมุ่นเขามากินทั้งน่ายมั่สั่ง มันก็เป็นประโยชน์นั่นคือขึ้นกันมันก็เป็นประโยชน์เพราะกันออกท่าวัอกเขาะพุนธศาพระพุทธศา ส, สนาหากินทั้งโอเบกขาหนาเดียวบอกว่าสันพระพุทธศา ส, สนาหากินทั้งโอเบกขาหนาเดียวครับสอนกับบม่มีมี่จะศาสนาพอปรนะปฏิกิริยหากินทั้งโอเบกขาหนาเดียวให้ซั่งซี่ดีซัง่งคว่ำก่อเขามาแทบบาทให้แล้วเอาหอสุด ข, ข้างเอาหัสุด ข, ข้างแล้วกัไก่คนไปเติมแล้วก็หอนี้เลย นี่ฉันเพชรทจ้าเพชรเ้าชีททุกครั้งอันนี้จังอนัตตาฉันสี่พวกีในพายประเจดนี่ไถ่พอดก็เอาหัวทุกครั้งเอาหัวทุกครั้งลราไปลวกบริเทียร์ยังไปอีกผีจำพรรษาพวกชาวาวกทีบอกว่า ฝายสังคีีสังขภาพเดห้าปีนี่พราสัทนี่สมมาเตือนกันระสัสนนรกของภายของวันหรอกพระสัทแต่บั้างนี่ะัทนีมาตักเตือนกันพะทพระพุทธเจ้าได้ทราบเคาบ่ได้บ่ได้บ่ได้พระสัทตีคงมาประซุ่มเธอประกาศสันว่าถือได้ไมะสสาธาห้าห้าสิเจริก็พอที่เตือนกันได้ไหมะึหวสองนองหัวหนึ่งได้บอกกันะ น้อมรับน้อมรับฟังของกันน้อมรับพี <c oughs> hum, hai, ่จะหน้าของกันบ um, uh, ่ามัน uh, ท้ากินท้าคัดขาดนานเดียวเ้็วเลยั่นมีเหตุมีผลก็ต้องเอาไั่นได้ถือคู่หน่อยผู่ใหญ่เลยสั่นถึงออกสั่นสกุลาะวะขี้ใมาตังมว้ยังสั่นบ่ถือก็สั่นสาสาของเรลาสิ่จรเลื่อนเลก็เพราะตักเตือนกันเหมือนสาสันแปลว่าหน้ารรษาสืว่าปลว่าหน้าหย่างทิเทนะว่าสิเตนะว่าปอดสังกายยา าุ่มบ้างอายัดทั้ตัวนูกระป๋งป๋าท่ายาสังด้วยได้เห็นก็ดีด้วยดิสงสัยได้รังเกียจก็ดีนะสังเอตส่งส่งอนุเคราะห์ตักเตือนไดวาวาสังตัวเดว่วาห่างผู้น้อยตักเตือนผู้ใหญ่คำว่าดิหิวหูท่านในการจะกล่าซื้อค้าอย่างนี้พระพระพุทธเจ้าสอน ส่านอาจารย์ท่ามเดจริงสิพระพุทธเจ้าสอนให้ลูกเสียดเนี่ยะการเวียนมาโอ้ยการการท่ามสันเขนอสงสัยอยู่มูนีกระซับมูนี่หามูนันกระับมูนันมูนี่กระสับมูนี่พอบูนันมูนี้อันพูดสิสิเป็นกลางว่าญาสหคดีมันทั้งหลายมันหุนไหวขึ้นมันที่กระทบกระเทือนจากไอ้โรคคนมันทีกระทบกระเทือนพระองค์เจ้าเหรอ ใครป้ออากให้พวกองค์เจ้าห้าเดี่ยวขุดธรรมะอันสูงสูงก่อนนะสิอุ้ยผัวเลยสมัยสมัยนี่เห็นไหม่บอาใหญ่าะยุ่มเออพักแพ้พัมั่นโจมตีกันบุ่มบ่บุมบ่บุมบ่หม่มากเลยจะเป็นเบื่อเหรอเมื่อไก่กันเงอนคือเกิดไกลคือว่าสิย์ยืดไปย่างเรืองสูงพวกเราไปท้ำอย่างนั้นพวกเราไปท้ำอย่างนี้มันเป็หมัวสมนี่ยาไปกระทบกระเทือนกันเดี๋ยวมันสิ ในนี้หัวพ่อแม่คู่บ้าอาจารเท่าเข็มเรื่องเดียวไปฟ้องพระราเศาสามารถตัดหัวได้ไม่บัวจะเถื่อมีติงหัวทั้นั้นหาะทั้งนี้ให้ใท่กันหัวซ้ำนั้นพร้อมทั้งนั้นพร้อมทั้งนี้นโอ้ยกูยังไม่ปีกเด้อเสียตัวเออในนี้เจอรบผัวอ่อนโอ้ยยังมีปีกเด้ยังมีปีกเด้อเนี่ยมันมาถือเข้ากันปีกกนี่ยมันทะเลาะกัน เดือนึง่งไปกายเนี่ยเียงไช่ด้วยมานางังเงินนี่ละ่ะเลาะกันวนว่ายเขาก็ได้ห่ายให้คนทั้งหลายเขใาขใจว่าเขาใจว่าห่อสิบปีกุ๊บตีหลังเขามาเห็ดนี่มาโจงตีเ่ากับเกียงไส้ละ่ะเบื้งส่องหนว่วยเขา คุณบรนพท์มาคุณบรนพทมาคุณบรนพท ม, ม, มาเิทยาลัยสะมาสอนเขาเขาเลยว่าพุทีิลังนี้เดิมเขาไม่ได้ตั้งใจทําให้หลวงปู่ด อ, อกเขาจะไปทําให้เขากระต๊อบขนาดนี้เมื่อเขาทําไม่ไหวเขาก็เอาเลยเอาหลวงปูไปงป่ไปขายแล้วเอาหลวงปู่ไปขายแล้วเขาก็เลยมาทําเขานึกว่าเขาจะไปทําไกลหนึ่งกิโลถ้าไปทําแล้วจะให้หลวงปู่ไปนอนพอเป็นพิธี พอเป็นศิริเขาทีนี้เมื่อเข้าไปมนรอดเขาก็เลยมาทํานี่ ท, ทําท่าทําทางให้หลวงปู่อยู่หลวงปู่ลูกจักดีมันถ้าอย่างนั้นอย่าไปเพ่งโทษหลวงปูน่นะบันพจน์หลวงปู่ลูกดีหมดหลวงปู่ลูกดีหมดลูกหลานเข้าใจเพียงแค่นี้หลวงปู่ลูกดีหมดเขาแก้งทําให้เราหลว ง, งปู่ลงมือทีแรกหรือไม่แก้งคําหรือหรือเขาไปไม่ไหวแล้ว ลบอะไรมาทำท่าทางทางให้ลุงปู่ลุงปู่ลู้ดีลุงปู่ลู้ ด, ดี๋ยวไปเพ่งโทษลุงปูนะ่เนอะทนี่มาพูดยื่อยิ่นนนนนนยงนี่ฮะคนนั่นไปน่นคนนี้ไปนี่คนนั่นไปนั่นคนนี้ไปนี่นัน่นงไพ่จีนกระเทีเอาวัานเออบริษัทบริวารของลงปู่นี่น้อยเดาวคากันไปทะกัน บรษัทบริวารของหลวงปู่ก็มีน้อยที่เครือข้ามเนียงก็มีน้อยอย่าไปทะลาะกันอไม่มันจะมันมันเาเมอะมันปานพระละหันเบาของขโม ม, มันน่าพิจิตหรออย่าไปทะลาะกันบริษัตทบริวารของหลวงปู่ก็มีน้อยตั้งใจปฏิบัติตามสิทธิกําลังของใครเพรมันแล้วก็คนก็ไปผููมาบวชชั่วคราวคนก็มีหน้าที่ จะปฏิบัติเรื่องนัดเข้ายกอกหลอกพราชีขาคนจะมาสอดคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันก็เสียวเวลาของคุณนะ แ, แล้วมันคลาดลหลหนึ่งนักปาดเรหลอออกนันพอฟังเอาล ด, ดวัน <c oughs> เอาลูกพิสกับนักปาดอาจารย์กับนักปาด พระนเรศรมหาปีตุโต ร, ระยุค2000ที่เราแปดทุกเก้าอ่ะเสอง2000ที่เราไปดทุกเก้าอ่ะออกพรรษาแล้วเหมือนกับป็นเดือนที่สองแล้วการกระถินแล้วการกระถินกับแล้วการจิว่าการเหมือนกันพระนเรศวรมหาก็ได้ขึ้นไปล่าล่าหลวงปู่หมันเดียวนี้นั่น การ ง, งามพ่อแม่คูบาอาจารย์มัดเราบ่าน้อหรือจังไห น, หน้ออ่าขนากว่าการ ง, งามพ่อแม่คู่บาอาจารย์มัดแล้วน่ขน่อจะออกไปวิเวกวิเวกกับิบว่าไปไกลหรอกคือฟังพ่อฟังแม่อยู่แมนที่ไปไสก็บรรวงมาจิเต้นซ้สอออกซ้ว่าเนือพ่อเนี่แม่ไปไร อ, อ, อกคือพอ่อคือแม่คือเกาอยู่อะ่าแล้วนบวนปล่อยบอส่างเงี นนลูกคิดลูกคิบันคิดได้อาจารย์ก็นักปราชญนะเออะเขาะซ่างซ่ง า, างตัวว่าซ่างซ่างก่บ <c oughs> เดือนนี่กับ ก, การงานกับมื่อเรานอกเราแซงคนวาตัวสิไปก็ไปเราแซขั้นไปที่ไปมือไหนขอน่อยต้องคิดพอดีให้เกียร์ใครงดคว น, เ, นเออ ตัวสมขวนว่าสืไปเมื่อไ้ถักขวาสักแย่แล้วก็ไปอาาขั้นไปที่ไปทั้งที่ไหนก็หน่อยท <Right. S 1> e. right? so si ั้งสี่ไผ่เนี่ยทั้ง่โบวุนมูจัก็จพ่อตายกับสีถามน้องันเพื่อให้เกียบเพื่อนน้อือเออไปทั้งที่ก็มันออกกาบหัดีวเพาะบัณน์อุกขถึกประสันพงผู้พกนี้เขาลายเลนสมพระโรงพระเรียนกับี่ทำถวกับนี่ประสันนะครับพวกเขาก็เป็น้ายไปหอด้วกน่าเกลียบเพื่อนอาย สะดวกดีบุคค้นกลับไปที่สบายอะไางบุคือทั้งอื่นอะไรอนั้นเสร็จจะเพียงระศึกษาซื่อเด้่องไับยังมหันมันมือไปเด้องไหนวันหล่ยังมหันตมันมือไปส mm hmm. ะไปมือไ้กับอะไรตะข่วนสะดวกเนอะไอสั่นเนไปกับทั้งงาน เอาล้อเอาฟื่นเกิมาหะพอฮาเมียดอกถอนถึงงามยุทธุฏิวีหารเดือดสามก็ร้ายว่าสั่งบอว่าที่ถึดพอถึงเมียดอกถอนหรือว่าที่เกิดท้วออกทาวว่าดอกถอนอ๋อลูกทิดกับบันทิดอาจารย์กับนักปราดเล่ากันมันเกิดว่ามันเป็นตะฟังเออบัดเมื่อทีไปกับประราา เมื่อนี่วัาเสมาล่าพ่อแม่ผู้บ่อาจารย์เนี้ว่าสิ่งพ่อแม่ผู้บ่อาจาร์ให้โ อ, อ, อกาสแล้วว่าสาิ่งมาติาาไปยังไงว่าสิ่งท่านหลาติดไปน้านู้นว่าสิ่งรถถุงเจ้าก็ติไปย่ง่ไปไ ป, ไปไปว่าสิ่ง่อยๆว่าสงวงท่ามกางเอียดเพลิน โลงมากมาหาโตห้องปลาล่าคนเรื่อยๆตัวตัสุไปเมื่อนี่เหราไเาปลาล่าไรเมื่อแล้วเอาไปซื้อลามือแล้วน่ข้าก็ บ, บอกว่าตัวสุไปนต้องาอยู่นะอาจารย์พระเจ้าของเจ้าไปนั่งพูดในอบายใจนู้นคนหนึ่งว่าปลา่าไม่ใช่แต่เพว่าข้นตัวว่าปลาล่ามัานกับพิษแล้ววะท่น ห้าห้าวการล่ามันก็ดีแต่ห้าวแล้วว่ามันก็พิษโตนแล้วว่ากระทั่งพิษห้าอีกคือห้าวเบาบอกเบาสอนมาสั่งเราเรียงของพอยของมันเนี่ก็ตบเป็นล่ากันโตว่าสั่งสมอเนี่มันหาได้ง่ายเลยเสมอเนี่เขาตกลงมือไปแล้วเขามาล่าเห้าเขาก็ไปโลดดีพอดีเขียดแทนคู่บาอาการไปกังขึ้นก็มี เฮ็ดคือปฏิบัติคือเพศคือผีนี่งงสั่นว่าใช้บ้านคือกันทั้งตบ้านทั้พอทั้งแม่เข้าคือกันนะฮะที่พอไแม่ลูกคือเห็นว่ามันเป็นกางขันดอกพราะที่เหตุกางสั่นมุ้ยเลมีอะกันเฮใส่รถเนี่ยมีกบอกก็บ่ว่าที่ต่างป่ายลราอกันเกัดแขี้ยงอ่ฟันไส่ พี่น้องเทากับี่ยกูหนึ่งตายประละละตรงกานี่มากบ่กวัานี่ว่านหอดบ่หัวก็เม่ยฮ ก, กันแ่ะเพชบ่เิชกันก็นได้คอยเข้าใจว่ามันเป็ น, นที่ท่นว้ยคอยเข้าใจว่าเป็นที่ที่เว้ยคำันเมน ว่าไม่จะมันแอนพุนคำว่ถือกเห็มันจะถือกพุนขำโลกยังสั่ม่งกับผีกันยังเที่ยวบอกไฟก็วาแต็มแนวบไฟมันก็ของผีบอกสั่งก็ฮอปนักปฏิบัติอยากต้องการถือกหือล่ะคำว่ามัถือกตอนนี้ฮปวเห็นหจะถือกเาเศรษีเปียเจียเหียแบบนอย่างนะแมโนสัอืมฉันูดหวังนทุกนาว่าตาทงสอนอือ ก็มีใช่นั่นเหรอขันเป็นพระรหันต์มาแต่แน่ทองเราพระเสได้ต่บวชพระเสมารักษาศีลเมื่อก็ัเป็นพระรหันต์ออกมาก็เพราขาดทรัพย์ชีวิตหล่นเนี่ยก็ซื้อศีลหล่นเนี่ยก็ขอว่ามั่นั่นดีนนะก็เสมารักษาขันตัางคนตั้งหวังมุ่งดีเราเมื่อกลัจีบุญไว้ยังกันตกลงเดียเาวางสัตวแม่ประเสิฐเขาวากของศีลตั้งค้นต่างเสียเอาแพเอาชนะขันว่าเียงอะไรแต่ก็พูดได้กยานหนึ่งต่บวชนะ ออกเป็นสั้นๆนเอร่อยข้าวเทาเป็นคารวาเนี่ยเท่ากับตีหูดากคุณดาวไซมดน้อนงกล่องนี่มดนบอลล์ลนเนาวนี่อนันเด็กันวะ่วงมาแล่องไว้ดีๆซะหรอตีมดน้อนงกลองลนเน่ะพระพุทธเจ้าสอนอะไดีพอแห้งพระพุทธเจ้าสอนว่า สองรับฟังคํากันที่พูดที่สนเสนอมาทั้งการคัดค้านกันการให้ผู้นั้นบอกตกคั้วมัจะ ก, กันนัคัดค้านกันอันนี้บ่ปัดเกล ก, กับแกวอกันบ่ฟังเสียงกันเลยดันไปดันมั่นบ่ไม่เหตุ น, นี่ผลเลยสังคมไหนสังคมไหนบ่มีคนเป็นกลางสังคมนั่นลําบากเนอะ เ้อจะไปเซ็ตกัางสั้นพ่อแม่เฮาพนที่คัดของว่าแต่แมันพูยุททางคารวะเ่ลือกันห้องจะไปเซ็ตกัางสั้นพ่อแม่เฮาสิคือคัดของพันพ้นเสียอารมณ์เรามั่นก็บพดีว่าแต่คือเฮาบอเข้ารพนบุยภูบุยพูสมานกันเลยมีแต่ว่าแมนขวอมพูนีผว่าแมนควอมพูนีผมว่าแกข้อมพูนีผมเอ้าผมเอ้าซอพูนีแกข้อมพูนีผมาซอพูนี นวเรี้ยงบางง่ายขึ้นพื้พื้นขึ้นขั้วขาส่องออกขาแขนมันุ่มีนักปา่ามีแต่นักเปรตส่วย ม, มือหนแมนบ่บอืครับอิทีบ่มีแต่นักเปรตปมันไม่นักปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ในวราระสงสารฮึฮักพูดได้ไปกลับไปข่าขาพวกนั้นเรียกแข็งเรียกขา ครบจิงโมมี่บ้านเถอะขอ้าเแห้งั้งสัน่นบ้านเมืองพันสิดูถูกทังสัน่นได้บ้านเมืองพันสี่ดูถูกทั้งสี่ได้คู่กับาอาจารย์ผู้ปกครองคู่ใหญยย่หรือพ่อแม่เข้าเนี่ยทีกระทบกระเทือนเพินันสีลําบากได้เจไดพันนักใจ่ได้เข้ามาเนี่เขามาให้พอ่อให้แม่เข้เาขี้ข้อเด้ว่ามันเข้าสิมาขี้ค้อพ่อแม่เข้าเนี่ยว่ามันเข้าสิมาทเที่ยวมุกนักมวยเอกซะกันเนี่ย มือผัวจะคนมิตรไปหาเพื่อนกันยัวจะพูดอันใสหาเพืหอนอักัยัวใส่พู้อี่ใส่โอ้ยห่อหรว่าปราชนาคณะกมกาเป็นยังงนะตายผู้เดียวห่อห่อก็อบตายบริษัทบริวารจะคนก็นยาหัวมันเงี้ยบห่าสิเอาหมดผนมาเป็นบริษัทบริวารนะขนมงูเหลี่ยมบ่มา มันโหคนเห่าเนี่ยวาธามาธโมสั้นสูงวกินสามาอย่ามันมากของนี่สั่นน้ตัามสั้นกินสั้นขีสั่นเงี้นสั้นข่าสั้นอันมูนี่สั้นกินสั้นขีสั้นนุงสันถือนี่สั้นว่าวมักฝนนี่พาอนนันอันนี้ว่าวไปตายอย่งมันสูงโกดธาว่างมันของนี่น้ำตั้ เงี้ยมั้งง้อกายโพดง้อสูงยิ่ซื้อปฏิบัติบ่ถึงาตอยู่ะไรเฮ้ยข้ต่ำอยู่อัได้ข้าเงินอยู่นไปก็ได้ออปับไป่อไรแล้วมาข้านี่ง้อสูงตายก็ง้อถึงเรายอดมันไม่งอเายอมันไมสาวบ่ถึงก็กปวดข้อตายเลยนะเราบอกกันว่า อันนี่แ่ละทั้งบานคือกันทั้งวัดคือกันเหรอลูกพูดลงพ้นมาซอแต่พอแต่แมยอ<ะ>หาเลืองมาแต่ซอแต่พอแต่แม<ะ>ยอให้พ่อแม่ฮักโต้ใ<ะ>ห้พ่อแม่ได้ม่นอารมณแต่ตัวผู้เดียวเน<ะ>ี่ยหนั่นกับวิเนี่ยหน่งกับวเเิจเลิศข้าวลู น้ำนลบผู้มันลบผู้มาหาจนคนสลาดมากพระอถ้าโตท่านมึงเชนโตที่เช้ารูเ้เช้าขตัวว่าเจ้าครั้งที่หนึ่ ง, ข, งข้ังที่สองข้าจะบอกให้เอ็มกันนี้ขรังที่สามข้าจะบอกคนนี่บอกคูู่าอาจารย์นี่ตกเป็นนักศ์เป็นระยะระยะๆยะนศ คันเดชงคันเดชงพอบรมราซาลเข็มดอกหนึ่งสามาาถตัดข้อได้ด้วไว้สัตอันนี้โมมีสมัยเสมอนี่มึงได้อะไทนั่นล่ะอ่มมีดอกจับกุ้มกันล่ะบฮะเนี่ยฮะนี้มักผลเนพามังอยยุไก่ที่ฮเนี่ยมันมักของกันด้วยน้ำกินน้ำขีน้ำใส่น้ำสอยนี่ บังคนเนียพาดอยติบด๋อยพวกนี้พวกจะดาวก็ยังเดเห็นมัเหาอมันก็บ่รึกอันนี้ก็ได้ช้บ้านก็คือกันนั่นแหะเห็นไอ้ที่จะเล่นได้แร้วพุทธเจ้าบอกว่าหายเลขเล่นเลขเลนผ้าแพักการไปเล่นน่ะสั่งยากการเลนผัวก็เมียก็ได้ลูกกับไปลงเรือกับรีดเท่าลูกมันจะเงื่อนใจใสมาสนะสนั่งนี่จะคิดหายไปว่ามัน่แหละพุทธเจ้าสอนดีพระอย่งเราโมบอ เฮ้ยที่มาเทศดีไปมพุดไเก่ า, ากเถอะเจ้าอาวาดรัชนก็บแม่เจ้าอาลวาดฝากเงื่อนนี่นข้างส่วนตัวไว้จากทะเลทะเลอันนี้ห้องหอบมืจากบาทเลยเนี่ยห้อปงกวาดหอาชัว์เลยพวกไหนว่าเห็นจะแก้ตัวเลยฮา เขามาอยู่นี่เข้าหกเข้มาเฮดบัญซี่ว่างนี่มาเก่าปีฮาปีหกปีนี่จะ ก, กี่เข้ า, าห้เฮดบัญซี่เลยเข้ามาแต่คออัพเพดแรกรับกรให้เร า, า, าเป็นผู้เขียนแรกใจกับ mm hmm. เป็นเล่าผู้เขียนเข้ามาได้ไปกวดน้ำเล่ไม่ได้อยู mm ่ใ hmm. นาาห้องจักรเล่มเล่หนังสือห้องหมวกหกให้ผาเฮดปีนี่ละว่างค่ะ ข้าพเจ้ทาทำเอาเตอมัอนเหลือทำมันมาพ่ออายุบาทหนึ่งสองบาทมือตัวจะไปจกกับปรเซเดอรมดัดแต่บอกว่ามดัดบัญชีนั่นข้าพเจ้าไม่นีเทาก็เหตุกรรมยา ก, กรรมอยกมาเท่าอาู่ใสก็ได้เท่าหัวก็รมเหตุบัญชีอันหนึ่งนี่ดอกล่อ ง, องเหตุสาระอันนี้ดอกสาระขี้เหรลังนี่นนกี้บริเหตดอกเหตนบัญชีใครพระเป็นผู้เหตุผล คันเบิก อ, ออกม า, าสั่ซื้อเท่ารเขาก็บรรทัดคุ้มเนี่ยขอสั่กระเห้าไปนั่มันซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้ออย่นี้น้ตลาดพนพ่อเปอนมูกแก้วไอ้พน่มายแกวว่าลูกพ่อลพ่อลกพ่อกอดเอวอยนบาสร้วอ ก, ออก <c oughs> คันบอกว่ารอนมอุกจ้าก <c oughs> พอแม่ห่าเนี่ยขันวาเนี่ยห่อทถึงพีกทั้งขิงว่าให้ลูกไส้คือกันว่าทั้งพีททั้งขิงคือกันนะแหละเม็ดนีตั้งใจเฮ็ดได้วาสันน่ะให้เขาดูถุงเนทอดเลยได้วะขันว่าในนึงกับเมื่อตบานเปิดเิดบึต้หู้ดากลูกไผ่เราบอกแล้วเรื่องเคอวะสันเขาง่เขาบอกให้ลูกไส้ลูกไส้พึ่งได้มาเฮ็ดได้นีม มันทำเคียบักน่อยบุกขึ้อยาอื่นบุกขึ้นภูอื่นภูอืนเครียดอบักหลายเครียดตอมเลเราพูดมหาวาโตัวเหตุยังมันดีบักคนเพื่ี่กูคงเพื่อแต่วัาเราหลอนมาสั่นๆมาพระจันทรหาบัวมันดีบักสุดที่เราเรนกกินก็ใส่มันก็ดีบพราะขี้โรขีโราสันาเพียมันก็เก้งมาสัน การทำการทางานกมู่กับฟูกดีบัดส่วนโซแนลว่าสันเบื่อยังเบื่อถึงก็มันวรอนเหอ่สพนว่ารบผู้มหาว่ามุ้มีหนอกมีน้อยอ้สนเปลีนเปลี่ยโน่ว่าันก็จะละได้โยตัมันหังละบ่ได้เหตงไงมันจะนิดใสยังสิมันเป็นนิดใสเปิดเปิงทวันหะจะละย่ห้าก็ได้พยายามละโย่มาหลังละบ่ได้ ร้องพ้นทุกขอะไรวะตาต้องสารปัญหามันเสีหลายตายอีหะ <c oughs> ปัญหามันหลายอันนี่ก็เพราะว่ากิเลสมันหลายแหละันกิเลนหน้อยปัญหามันก็ น, น่อยเสีว่างเลยันกิเลนหลายปัญหามันก็หลายสิ่งี่คุณอินมันคงรักเขาแทกี่เข้าอยู่ผู้เก่า ยูพูเก้าสองพันห้าร้อยคไปกวนเหล็กวนพา้ากวนบัดกวนเบืบ่อโคบดเข้าไป ย, ดดยออไผูผููเดียวห้อหาเดือนเขาก็เลยซักเข่ขึ้นในกลางพู้เก้าคันผู้เดียวห่อแห้งๆสาธุดเด้อวัชัน พุทธพ่ ท, ทธธรรมสองเทววุฒเทวราพอิญพหุพมพยงะกาญจักโลกกระบานทั้งสี่ทั้งทั้งไตรโลกธาตุตรงนองมองังผู้ข่าวเลยเนาะผู้ข่าบวชมากข้าวนี่ลูกตายเสียเนี่ยตายจากผู้ข่าววังอัิมาผลทุกในวัดตรสรราสงศารมาวังอัิมาแอบบวชเรื่องชีวิตดอกเขาสัง่งสากว่าพุทธบริษัททั้งสีน่ะพิชซุกรณีสามเนีนกด็ดีอุบาสุบาสิกากรดีมันเขามาหาน่ยมันมาผีเอาถอยลอยเอาขัา้วมันมาวังกุศลผลบุญ คอเท้วุฒเท้าพระอินทร์พระพุทธพระยมพระกาฬเจ้าตโรคบาลทัิงซีนั่นจงมันดนดานครับมันถอยนีไปวัดซะได้ยังถ้าผู้ขานั่นไม่พูกเอายังมาให้กินผู้ขากษิตนั่นตายอยู่ผู้เดียวนั่นพ่อะหนาอยู่ผู้เดียวเราพระท่านไม่ได้พู้ว่าน่ามาจอกปลากระไดเลยท่านกินันเกียจขีเกียจเงี้ยวจิงไปย่างไรก็เ่าท่านพ่อสามหอบซีหอบดอกพูดว่านี่เขาต้องตายวะท่านเขาอธิษฐานกพุคนท่านห่คุณอินมา โอบริษัทบริวารของพ่อเมียคู่วัาก า, ารโรมี่ทอเพลนเขาน่อยก็ไ่สงสัยเพราะอาธิษฐานมาแล้วดิอาจรนารยตอนนั้นได้ห่าทิถย์มานาห่าเก่งปนานละมานท่านเถอะแต่ว่าเก่งทั้งผิดหรืเก่งทั้งถือก่อนเนานะทำปานะฮะในยิ่งว่าเราเมื่อโตขึ้นในยินง่าเรพระโม่นมหนีในยินงม า, ามงหมารือไม่ในยิ่งนั่น โอ้สาระห้องผูดด้ใดมาพีเอาถอยบ่อยเอาคัวมนล่ะพู้นี้พุทโทษขัมหนึ่งวายสามเที่ยงสิผู้นี้ไ่ได้วายผ้าโดนเพราะว่าไนเนี่พุทโทัโมสังคนนี่พลาหวายเพื่อพระนิ่พลานไม่ได้วายเพื่อหลอกกินขนมผู้ใดหลอกตอบเจ้าของไอยู่คุณย่าคุณย่าเลยผู้นี้มันสียรหทา ม, มาท่ามัวทโทผ่ากวาก็นต้นใส่เออ เอาโอ้หเข้าบริเวณได้ทังสันพ่อแม่คู้ยกัมาพระภาวะยอดพรวานาเป็นยอดสวมนพนหัวเสันพ่อแม่คุยกันมพระกรรมานมัมันไม่หลายประเภทเได้ประเภทหนึ่งพระญาพระยมนางพรวานาประเภทหนึ่งพระญาพระย่อมสวนมนอนโคโคโคโคบโคบโคมประเภทหนึ่งกับพรผู้เสียผู้สาวไปเที่ยวหันเที่ยวนี่แยงก้นกันว่ท่านโดยกะตาย มแม่นบอกเมารถขั้นดีๆใช่หรือมีอย่องง่วงไกลหน้าเรื่องมาไกลเขา่าเมงร ถ, มงรถมงเมาเลื่อยแล้วก็ส้วนพุทธสาวไปเที่ยวแล้วบาทเงี้ยโ้หน่อยเพรายเขาไข้อะไรเป็นโทษแม่นบอกโอ้ขึ้นดีแต่ตั ว, ต ว, วมันหุงจัหมดดนะสิว่าจังไหน าเหมันของเจ้ากงของจ้าอะวัตถิปะทาของลองผู่มันเป็นยังไเฮาบอกว่าจะใครทมครับภาในนี่ถ้าเอาไว้อยู่เห็นมสั้นลองผู้มหาจึงเอาอยู่อะทาราเนี่มันจริงอยู่่าสันมันเป็นศิษ์ที่มีคู่ได้ไสัน้นเห็น่ามเป็นทังสั่นันผีบาตตัวนี้ว่ามันคนผีบาคัามานได่เป็นศิษฐ์ที่มีคู่อะเป็นลูกที่มีพ่ออ ม, มอาใน่ั้นว่าห้นัง่งคือตอนนี้เห็นฟัง น, น, นั่นประนี้ยวนี้ยิ่งเรามารอให้ตัวฟังรู้เอากรรมฐ า, านเนี่ยกรรมฐานมันไม่มันมีจักกรรมฐ า, านเอาเขาจะฟังกรรมฐ า, านหนึ่งบวชเข้ามาแล้วะไปเที่ยวฮ า, าเพยฮาขอมาสามาแปลงอันนี้ไม่ได้ขอเลยนี่ไมาเฮ็ดกนจังเฮ็ดไมาเอามาให้กัจังเฮ็ดอยบ่มาให้ก็บ่เฮ็ด หาส่องเขียวส่องขาวกรเ บ, บ, บนึ่งกับจัดการจะนั่งึ้นในวัดในว่าอแบบนึงกับพ่อบวชคืนมาและก็ไปคล้ายข้าวแห้งไมน่น่าอ่าเอาบาดเี้งเป็ดเลียงไก่มันมีหลายกรรมฐานมันมีหลายนี่กายลยได้เสมอเนี้ยถือว่าจังไรสัง่งนีกายนึ่งกับบวชข้ามาลวก็พอจะเลี้ยนครับี่ทโ เขาได้ออกไปเป็นตำรวจทหารเนี่ยี่กลายนึงบวชเพื่อหวังผลทุกนาวตาสงสารนีกลายนึงบวชพวกผู้เลี้ยงท่ซาตายนั่นมันเกตตหน้าม่ตางกัเนีย่านพระพุทธเจ้าก็ว่าไดบา้บังคับหน้าห น, น้าคิดต่างเลยหน้าหน้าทำมั่งเน่ กามนีนาวัติโรโกโ้เนี่ยท่านโลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเอกก็ น, นึงเอกแค่นี่้ชั้วเปิดเปิงมาเนี่ยเมียวิจกรสองจำพวกจำพวกหนึ่งทำตัวเป็นนายพระนายเนนจำพวกนั่นจะได้ลวงนรกเด้อพระพุทธเจ้าจำพวกหนึ่งทำตัวเป็นลูกศิษย์พระทิษเนนพวกนั่นจะไปสวรรค์นี่ในพระไเตยพิรกเนี่ย เปิดเปิดว่าบาทนี่ยน่ที่นี่นักข่างพุทธการน้างพิสุน์นี่้าพเจาพิสูจน์สงฆ์น้างพิสุน์นี่จะเปลี่ยนพระรหันก็าตามหาบ่อยหาอุบายประเทศพิสูจพุทธสน แม่จะข้ามเดียวในทั้งตื่นและทั้งเลิกก็สั่งทั้งเลิ ก, ก็ทลกกทั้งตื่นนี่เป็นชิดเขาวข้อนางพิูนี่นะั่นี่เมื่อห้าเป็นข้ า, าราดการเนกยิงลายแล้วหลวงสั่นเออดว่าอมือ น, นี้ข้นซิดข้นหงจักมันมีในพระไตปิฎกแต่แปลว่าสามปิดกแปลว่าทีรวมๆคนทั้งหลายห้ามมาของมันของ ม, มาได้ตอกพดิันหัน ของนี้เมื่อหนึ่งพอดคือข้นหน่ปลาลูกปลาเมียแล้วพขึ้นหดลูกเพราาทแ่ขึ้นหอดแม่มันแม่นบ่เออปลาลูกปลาเมียขึ้นหอดลูกไงนะเพราะว่าทำยีแฉ่ขึ้นหอดแม่มันผมฟบงเบาเลี่ยงนาเลี่ยงหลังาอันนี้ก็โคงไปโค้งมาเลดเม่เี่ยงนี่เนีนะเนี่ยพ่ออกเจ้าห้องพ่สอนโ่านีในระวังพวกเมียกสอน เราวางศิษ์กับอาจารย์กัสอนหนึ่งด้วยลุกขึ้นยืนรับสองดวยเข้าไปยืนคอยรับใช้สามด้วยเชื่อฟังสี่วยอุปถาห้าด้วยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพเมื่อท่านอาจารย์พูดอยู่อย่ามาท่านจบคำอย่าพูดเสริมเข้ามาเวลาเดินก็อย่าให้ใกล้คิดเกินไปเวลาเดินไปบินทบาตก็เหมือนกันอย่าให้ใกล้คิดเกินไปให้ห่างกันประมาณสามเก้าบางที ท่านไปพบงูหรือท่านไปพบอะไรท่านยืนอยู่เราก็จะไปชนท่านถ้าเราอยู่ห่างไกลท่านเกินไปเวลาท่านมีธุราจะพูดกับเราเราก็จะไม่ได้ยินท่านก็จะได้ใช่เสียงดังนะพอเวลเลยกนี่ท่านต้องการ น, น้ำร้อนน้าเย็นก็จงทำให้ท่าน จงรูปผ้าจีวรจงปัดกวาดจงทําสะอาดให้ดีนี่ขวัดอยาาอาจาริยวัดรพิสูจสมัยองค์ใดทําอย่างนั้นสมาธิสมาบัตจะขึ้นเวลาจะไปสู่อาวาสอื่นถ้าจะไปเรียนกรรมฐานกับองค์ท่านให้ไปถามเสียก่อนน้านี้ พระอาจารย์ตักมาหรืออาจารย์ผู้ฉลาดก็ต้องตอบว่าถ้าตักมาก็ตามจงร่างจีนจงร่างเท่าเสีอเถิดถ้าว่าท่านพระอาจารย์ตักมากับผมขออนุญาตร่างเท่าเนอนั่นถ้าไม่ทําอย่างนั้นสมาธิสมาบัติไม่เกิดน่ะในคมพี่วิสุท ธ, ธิมรรคละเอียดและ อ, อ่อนไันใดสัม มุ้งห้าเนี่ยเ อ, อาพาเอามาเป็นนักมวยเอกกับเจ้าของพนสิซกเก่งงูกซีดกับอจายอะไรทกันสิซกับอาจัน ม, มวยที่เกง่งวัไหนสัตวตัวนี่เป็นมวยเอกสัตตัวทาไมโรคเสมโกกรคกลวดโรคดาวเทียมเขายังดีอยู่เลยโรคกลวดเขาก็ว่าโรคโรคดาวเทียมเขาก็ยังบอกกงๆเขาบอกัวเขาก็กว่าดาวเทียมอยู่เขายังดีอยู่ กขบว่าดาวอินเดียคือว่าจะได้ผล